พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องหนักเขาคำพูกตีหนึ่งเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทำหกประโยคนักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหา้อะโมตัสภากาวะตโตอาราโตส ม, มาสัมพุท ธ, ธา อาติเตกิราภิกขะเวปาราณสิยันติทังสัทธเจตาวเนวิหารโตภิกขุนังกะทังอารภากะเทศติ สะทาวูดราสะปุริตาตั้งลายตั้งยิงชายมวลหมู่อันดังอยู่ร่องธรรมจุงจักจำทวนทีเราจากจีจากใครลำดับไปแต่เก้าตามอาจารย์เจ้านำมาอย่าได้จากเก่าวถอยบว่ากเอยหรือดัง คนตั้งหลังตั้งนาจักกล่าวว่าเตียนขวันตั้งยาควันเมียงมากจุงลาภาคเป็นข้าวนิยายยาวบ่อน้อยอดใจก้อยฟังไฟแดดเตอ กีระดังเราจักรูมานิใสปางเมื่อพระติวัยทรงยานพงสํารานบ้อขาดในอาวาัจ่อเจตาวันไก่เสียงนั้นมีกองอยู่อกของปุรีจือสาวัทถีเมืองกวางคน้นไฟอังหุมหา ยาตาแลบีเมื่อได้ดังอันตาตาในกาลนันเล่าอันว่าเจ้าพิคกูตั้งลายอันนั่งย้ายเป็นหมูพร้อมนาโยรงทำก่อจากกเป็นเหตุจากเอพระเจ้าเตเตสานาว่าอุโสดุราตันตั้งลายเฮยหนุ่มเท่า อันว่าพระเป็นเจ้าทารงทำสมปนนำ ม, มากวางบ่ออาอังกานาเตวดาจุห้องยอมือท่องสาธุการ <c oughs> คนสามาัญต่ำใจมาฟ้องไข่ปูจ่จานำโพจานา่าพำพ้อมมายืน้อมยอเกณฑ์ส่วนเตวตาเถินใจ ย, ยับ ปองขานาบสัพ ญ, ญูบาปมาจูจองก้องลงสู่ห้องอาบายคนตั้งหลายหันลากร้องออกปากอศัศจรรย์สาโุนั้นมีกองถึงรอดทองกันทะกูดีพระมูนียอดซอยได้ยินถอยกำจานสังข้ามวนหมู หากะอูจากกันพระเล่งหันเป็นเหตุกวนจากเตเตสนาจิงสเสด็จดีลานโวริญาตไปนั่งเดืออาสนาแลอวสัตตาเล็งพอยังจุม่มหนอพระมูนีพิกคุมีหนุ่มเท่าหันพระเป็นเจ้าสเสด็จมากก็ย่อมือสาขับไว้ ซึ่งพระเงาไทยจอมทมบอกก่อไข่กำกาวเต้าดักอยู่สันดีพระมูนีเป็นเจ้าจริงตานเล่าพุทธชา <c oughs> ว่าพี่ขาวเวดุราพิโกตั้งลายมวลหมูตันกาูสั่งจ้าหันเรามาจวนใส่ลวดยังไวบ้บ่เจีนจานั่นจ้า ที่นั่นเจ้าพิโคตนชาลาดก็อภิวาทุนสาใไขาขีญาเหล่าเกา้าพระเป็นเจ้าตามีพระมูนียอดซอยจริงตานทอยปีญาว่าพิกขาเวดูราพิโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยาเจ้าเชือโคตเงาทรงยานอันวัเทวตัดฐานกระยบับ ป้องขานาบตัวเราบาปบ่อเบาจ้องก้องลงสู่ห้องอาบายสะเวยทุกไกยลำตีบ่อใจจัดนี่บัดเดียวเ <c oughs> มื่อเราเตียวโลกไตสมปันไปเตึงตันเวตวัดตันกาหยาบก็ขานาบตัวเราบาปบ่อเบามารอตรวจมวยหมอดปำวาย ลงอาบายหลุมไตตุกเอาไมเเลือลายพระบุญภัยกล่าวแล้วก่อหับข้าแก้วบอเจียนจ้าที่นั้นนาเจ้าพิกคูตนชาลาดก่อภิวาททุนสาวาพันเตฟก า, าว า, า้าแดพระพุท ธ, ธเจ้า จนเป็นปิ่นเก่าตีโลกาจานอันว่าอติตานีตานฟางกอนผู้คาบห อ, อนเคยฟังอติตังไปแจ้งขอพระจุงแสงเตสนะใครขี้ยาบอกเก่าฮือหูดาวแนวเ น, า, นาวแดเตอ เมื่อนั่นสัพพัญญูตนผ่านแผ้วจริงไข้าอุบแกวเตสนาวาติเตกิราฟิกคาเวปารณสิยังพระมาตะโตนามาราจารังการิดังนี้เป็นตน เพิกเวดุราภพิกกุศงตนทารงสินใสบ่อเศร้าเจือกดเงาทรงญานแต่เบือนานแต่สดลายกับโกฎสังขญายังมีพาญญาตนหนึ่งองอาจเจ่อพรหมตตราาบุญเรื่องเสวยเมืองใหญ่กว้างมีเจ่ออังปารณสีมีราชเทวีจื่อจอย จื่อนางยอดสอยวันนภาภ า, ามีลักขณ า, าผ้าเสิดงามลำเลิดเลือคนดังดั ง, ด ง, ดงบนฝ่าฝ้ า, ฝาลงแหล่งลา ล, ล, ลงมา <c oughs> จุมนางกันยาดมเทาวังแวดเฝ้าเป็นปริวานพระผู้บ้านพรหมมาตราตกับนางนาเทวีสะเวยปุรีไนกวาง <c oughs> บ่เว้นห่างเสียธรรมบ่ากะาตําอยากจ้าคือไพฟ้าเครื่องขีใจผานี้แผ่กว้างดังตาตั้งกงกาเจ้าป ร, ราใหญ่น้อยนาจื่อเจ้เอเจยบ้านพอจะหนาหารนไล่แหล่ลูกไม่แพ้ทมทองคนเตียวยกองลาลาองเข้ากาดไขค้คว้ว พองสนุกหนวเล่นมวนเสียงระรวนวนใยจนมนันไพอุบานีก้อยกาดราชธานีย้อนปาระมีแห่งเตาต้นภาพดาวห่อคำปกห่มงับไพราตังอามาตคนในฮือสุขใจคำเจ้าบ่โศกเศร้าเพื่องกาแเละนะา ส อ, อราจาันวาพัญญาพรหมตัดราดกับนางนาฏวันนับพามีบุตรานอเนื้อไว้สืบเชื้อสองาจรวบขิงพายบ่อเศร้าโลกผู้เก่าเจ่อสมตัดกุ ม, มา น, น่อผู้บ้านผู้ลามีเจือว่านันตะกุ ม, มาน หนอผู้บ้านน้อยนาฏพญาาเตร่วไว้เฮียนอันใดจูจอดจบเสียงขอจูอันอันพ่อแม่หันหักมากบอฮือภาคไก่กาซ้ำเรียกหาคู่เก่ามาอยู่เฝ้าสอนสิ ป, ปักุณเพื่อฮือนุนลูกไทยได้เป็นใหญ่สวยเมืองสองบุญเรื่องหนอไทยก่อเฮียนได้จูผกา เสียงอาจารย์จู่โกาอันอยู่ในเมืองเกาะมีหันแหลนะเทกุมมาาอันว่าซองกุ ม, มารปีน้องเกิดรวมต้องแม่เดียวมามีลักขานะองอาจจบฉลาดเสมอกัน มีผิวพันธ์ผายพองวันณะสองเรื่องไรสวนในใจนั่นใสกำแต่งไวบ้บ่เสมอกันรนอหอจันปีเกา้าใจบ่มืดเศร้ามัวดำบ่จะกำกะหยาบบ่ข้านาพิงสาอย่างนางกัญญาคาใจตั้งไผ่ใตคนใน ไห้กำไดอ่อนอ้อยฟังจื่นจ้อยวอนหูใจมูตู่แผ่กว้างหุ่มก่อสร้างตั้งบุญหูจากคุณพ่อแม่คุณเท่าแก่ตานาย ส่วนตนใจนองลาใจหยากจาตารุนบอกคุณพ่อแม่คุณเท่าแก่วงใหญใครกําไดอวดกาจะแจ้งดาพระภายคุณดิ้งใจน้อยใหญดาเสียงไข่หอคํามีใจดําก็หยาบมักขณาพระวีดาและตีข้าใจ มานะใหญ่เลือลายสององใจปีน้องแม่นห่วมต้องเดียวกันใจพิษพันแทกเบาย้อนกรรมเก่าปามีดังว่าตีแต่ก่อนเ่นปูมอนจะเร็วว่าไม่เล็มเดียวต่างปองใจปีน้องบ่เหมือนกันนั้นและนะ เอานก้าเมน้าบทิ้งปัตตากันสองกุมานหยดเงาโอรถเต้าหอใจจำเริ่นไว้ขึ้นใหญ่ปีเดือนไขว่เร็วปั่นนอหอจันท์ผู้ใหญ่อายุได้สิบหกปีส่วนนอผู้รีผู้ซ้อยคือเจ้านอน้อยนันตะกุมาน ลาดับการทวนทีได้สิบสี่ปีปายเต้าบุญภายตนป่อขึ้นใจต่อบุตรตาวะบัดนีนาะลูกแก้วก็ใหญ่แล้วเติงตันกวรจักปันปงขาดยกยังราดห่อคำสมบัตินำมาเต้าเฮลูกเต้าบุญเรือง สเสวยเมืองแต่นแตนเป็นลักแก่นยืนไปกันกึดใจไข่แล้วเตา้าตน้นแก้วพระ ม, มาตัดราชาก็ไขขีน้าเกาท้อยแก่นังยอดซอยเตวีวัดดูระสายสลายัลีเฮยน้องปีปีกึดทีในใจรำเพิงไปลืมเรา ว่าสองลูกเตา่าเราราบัตรนีนาขึ้นใหญ่กวรผูกไว้แตนเมืองเอบุญเรืองปีเก่าได้เป็นเจ้าภาปาราือขานิธาผู้น้องใดหนังห้องแตนองโยห์หอคงภาาตดเป็นอุปราชใส่เมืองกันบุญเรืองตั้งกูได้ตั้งอยู่ตามธรรม สุขบ้านนำลายแลเตียงเกิดแก่เวียงใจแม่นใส่ใจลูกเต้าบ่อไตเข้าตามกองเราก้อยปองยกผากคือเว้นจากตังวายสององค์ใจนองอายดีและให้สันได้หือหันใส่แจ้งทีเมื่อชีวิตปียังมีวันเดือนปีปันไข่บ่อตันได้ป่งปัน เอ่จอมขันปีน้องได้นั่งห้องเป็นภายาเยี่ยวเราราก้อยกาดชีวิตขาดดับคันบ่อตั้นหันลูกเต้าได้เป็นเจ้าผาปุรีให้เรือดีไปหูปีคุดอยู่ในใจจริงจักไข่เกาทอยฮื่นยอดซอยเตวีบัตินี้และนะ ตังสุตวานังเทวียอดยาวฟังคำเต้าไข่การย่อมือสานใสเกาว่าค่าเดาเจ้าห่อคำ ข้าบ่มีกคำกล่าวอ้างดังตีนจ้างปลาหลังเตียนย่อมฟังตีนตาจักจักกว่าปปไฟกันจอบใจเจ้าปี่ขึ้นสั้นทีหันดีข้าเทวีน้องดาบ่เหลือเจ้าสามิกาอันว่าพญ่์พรหมตรารฟังโอกาสกัมดีแห่งเทวียอดซ้อย จใจจีนจ้อยเจยบ้านไข่กัมวานลายแหล่เฮแจ้งแก่ตีวีก็มีหันแลยนาตาต่อบปัญญาแรกแต่นั่นไปไปนาบ่อเดินจ้าหึงนานพระผู้บานพรหมตตราดก็เฮออามาเตรียมใจ ทีกองใจเป่าร้องไปตัวห้องทานี้เือเจ้าปุรีไฟ่ไตหูแจงไขเรียวพันว่าแถมเจ็ดวันไปนาะพระเจ้าฟ้าราชาจะคือบุตตาที่ราดนั่งเดืออาดคำเรืองสเสวยเมืองแต้นแต้นเป็นลักแกนยืนไป เือคนในไพ่ไตตัง้งน้อยใหญ่ยิงจ้ายดาพันภายจอมูไปเล่นอยู่ล้านดวงเล่นปันปวงจู่ย่างตามอันจังไพยมันทวนเจ็ดวันเป็นขนาดยาเว้นขาดคนใดคนเตรียมใจแกว่งใจก่อน้อมใบทุนสา แล้วไก่การีภาวตีกองเป่ า, าพับเมืองตามบุญเรื่องเต้าไทยอาจยาใส่ตกปันกอบีฮันและนาอรงสุตว่าเจ้าปาราชุดาวได้ยินข่าวสัญญาข่าวส ม, มนัตาจื่นสูร้องอยู่เนื่องนั้น เรีปะกันแต่งห้างตามอันจางใจหุมจ่มก้องก่องจุ่มเปียป่าตั้งราหนาการาซาพ่พองดาคับอือจอยพ่องแต่งซอยกะลงทำพ่องใจลำลิงคอนตาตั้งจังฟ้อนกองยาวพ่องใจเปล่ารบภาพดาเล่นดาบเชิงลาย ชาเมืองหลายน้อยใหญ่ดาแต่งไหวจูวอันอันกันเจ็ดวันวารอดก่อลาตอดแกหาป้าบุตตาลูกเต้าไหลหลัลงเข้าลานหลวงเล่นปันปวงหลแหล่ ย, ล ย, ยืนย้ายแผ่ไหลาลามเต็มสานามควงเต้าเสียงสาเศรื่อนดันกมีฮันในหนา ตาตานั้นตารังลำดับนั้นเหล่าเต้าเป็นเจ้าพร ม, มตัดราชาก่อหือด้าแต่งห้างพร้อมจูอย่างอาหารห้องกินวานหลายแหลวางย้ายแผ่นนำนาหืดผาจ้าไฟไตเหลือกินได้ตามใจแล้วก่อไขโอกาส เอออามาเสนาตั้งภาจามวนหมูม่มวลเล่นอยู่เจ็ดวันก็มีหันแลยนะ <c oughs> ตาตาในกาละนันส่คนน้อยใหญ่นิ่งใจมีลวงลายเป็นตาตัดตีนาห่อคำได้ยินกรรโอกาสอันเต้าราดปงปัน โอ้อปักกันจืนเหี้ยวห่อร้องเศร้าสามราแล้วแรกดาแต่งหางได้ยินกำจ้างใจหุมมะหอระสบซุมหลายอย่างมีต่างๆสะสนโกละหุนมีกองสะนันห้องดินแานพ้องจานหอกดาเปลนรบภาพเชิงลาย พ่องถ้าแรงกายเป็นนากแกล้ออาปากลืนเฮือพ่องเป็นเสือฝากกว้างไล่กินจัางกว่างฟานพ่องเยี่อหันลำหมอกนอนปลายหอกคมแซวพ่องเอาแล้วและดาฟักฟันลาบตามตนพ่องเอาไฟลุนเสือผ้าไม่หวอดกว่าตันตาเสกกะทาเข้าใส่เป็นพื้นหม่บัดเดียว พองแล่นเร็วขึ้นไม่ขึงเจียกไตไปมาพองใจนาฮึกหยาบอาปากกาปไปแดงพองเอามีแตงเข้าปากจักกปายหลากพดหลัง ห้องตาปังย้อนเล่าจุ่มคนเทาหุ่มโซจ่ากัมจ่ากัมปอเหดสูบาวสาวกูเจยบ้านของสมวานลายแหลวางย้ายแผ่ทมทอง ตามใจปองไขยากจูผู้หากเอากินจอมนารินยศใหญ่เฮแต่งไว้จูภาการสุขสำรานจูผู้บอกหอนหูขึ้นวันและนากันเจ็ดวันไยแล้วเต้าต้นแก้วพรหมตัดราจาก่อเฮอุตสาพิเศษอติเรกทุนควันยกจอมทันลูกเกา เป็นเจ้าเสวยเมืองยกบุญเรื่องผู้น้องได้นั่งห้องอุปป ร, ะระชาชาแล้วนำนางโซฟ้างามอาจลูกอามาจคนในอันเป็นวงใหญ่จะเชื่องามอาเครือกวรแยงผิวขาวแดงจะจอนน่อนเนื้อเกียงอ่อนสุขุมานต า, าบานยิมยม้มแย้ม สองฝ่ายแกมมีไรจากกำไดอ่อนอ้อยฟังจืนจ้อยวอนหูลักคาดาดูอง์อาจจบฉลาดกองดีชื่อพัตตาวาดียอดซอยมาเป็นกูหอยราชาคือเป็นนางพาญาแนบข้างแห่งเจ้าจ้างสมมตัดราชา เต้าหือดาตกแต่งตามปิมแปงโบราณโหราจาร์ผู้เท่ามัดมือเจ้าทาวายปอนปร พ, รพระผู้ทอพรหมตรราาเจ้าพ า, าสตดใสสีปันปอนดีทวนถูกคือแก่ลูกสาสเมืองโยธาเร่องผู้เท่าอาหมตาดเก้าคนใน ลำดับไปบอ่อน้อยเขาก่าวถอยกำปอนือพระภูทอนเต้าใหม่มียดใหญ่รือสามีเตจาผับดาว <c oughs> ร้อยเอต้าขาบบรนตากันอุตสาพิเศษอติเรกทุนควันยังจอมท่านเต้าใหม่มีนเสียงไว่าตามธรรม เจ้าหอมมา่อคำพรหมตระการก็เฮอามาต่างตาตีสัญญาบอกเล่าเฮนมเทายิ่งใจคนตั้งหลายมวนหมูปอกขึ้นสู่เฮือนตนและนะ ทีนี่จากวันนานาจะเล่าถึงตนเจ้าอุปราชาอันเป็นคนิธาน้อยนาด์กิดไม่มาดในใจร่ำเปิงไปที่ถอยมองต่ำก็อยเครื่องกายอนปลาลาบาไปโลภะใหญ่เนื้อตนมีกังวลบ่เหอดทอนไม่เดือดในใจ ว่าเจ้าหอใจตนป่อฮักลูกน้อยนอบอ้อมเมือกันอจอมวันปีเก้าได้เป็นเจ้าแก่พระเจ้าเรานี่นาลูกลาพระเจ้าฟ้าบอแป่งปันป้อยว่างปันปงขาดเธอเป็นอุปราชปล่อยไว้เราจักกลายเป็นเต้าเรียวรีเผาบ่อนมี หลายสิบ ป, ปีไปานาเมื่อเจ้าฟ้าปีพาญาไดมารณานะมวยหมอตายละตอดอินทีเจ้าปุรีร่อนไมเราจริงจักได้เป็นพญายามนัน้นาปีอายเตียงมีลูกซ่อนใต้สวยเมืองเราเตียงเครื่งองโศกเศร้านิ่งกว่าเก่าน้ำนา อุ ป, ปาราชยศใหญ่กึนบาปไม่มในใจบ่จะใครเก่าเต้าดักอยู่เดียวได้กอบีฮั่นแหลาาานาตาตาในกาละนันเหลาอย่างมีเสน า, าโากับเมืองเตจ่เรื่องห้าวหาดเป็นเจรตเจวองสา สืบส้ายมาแต่ไทยเป็นคุณใหญ่แกรีพนทุกแห่งหนดานดาวคนหูข่ายินขามมันมีนามบอกไว้ว่าคุณใหญ่นั้นตีนยาเสนามีทีด้านนอน้อยงามเจริญจ้อยจื่อสุนทรีชมงามดีใจจ้า พงขึ้นนาเป็นสาวกาหญ่าขา่าผ่องแผ้วงามเลือดแล้วเหลือคนดังนางบนฝากฝ้าลงแหล่งลาลงมาคุณเสนาผู้ป่อขึ้นใจต่อสายใงรักไมยใจขา้าค่อยว่าจักเฮือลูกน้อยสุนทารีได้เป็นเตวีเต้าใหม่ เป็นเจ้าใหญ่หอ่อคำบ่อสมกำไฟอ้างย้อนพระเจ้าจ้างพรหมตัดราชามีอาจญาปุงขาดเอาโลกอามาต่างตาอันเป็นวงศาจเชื่องามอาเครือพตาวดีมาเป็นเทวีต้าใหม่เป็นสาไปเจ้าเมือง มันยินเครื่องหลายแหล่กึดใจแพ้ไปมาว่ากูเป็นเสนาผู้เท่าตั้งแต่เก้าเมื่อนานก็ตามการแตนเต้าหบภาพดาวลายหนจุมรีป น, น้อยใหญ่ย่อมอยู่ใต้ตนกูย่ำสัตวถูมารอดกูบอตอดนี่ลายกโยธาออกภาพคาศึกยาพะนี้ พระภูมีเจ้าจ้างบอกขึดนอางหันคุณกูได้นุนภาษาเต้าบอกฟาดเล่งหันป้อเอตัดบันหมิ่นสันบอกขึ้ดันเอายาวป้อไอไปเปล่าโดยง่ายเอาลูกอายคุณเมืองฮบบอเปืองสักยอดเป็นสะไปราดเตรียมใจมันเป็นใส่ไงเก่าเกือ๊ กูก็เป็นจัดเชื่อราเจ้ามงสาซันใดจ้าเต้าไทยบ่อคืดไข่เงี้ยวไปหุ่นใจไฟผู้เท่ากึดใจเหล่านานาตุ้งเพียงกะบ่อน้อยนาตำก้อยขี่มองตันหาปองโลกใจใจมาดไม่เป็นควันก็มีหันแน่นา ตาต่อปัญญ า, าแรกแต่นั่นไปไปนาคุณยาบจ้านั้นติยะเสนาความโกทามัดไม่สุ่มเอาไว้ในใจบ่าจากใครกาโอเต้ากึดอยู่คนเดียวเจ้าคำเตอยวไปไว้พระบาทให้พรหมตัตราชากับพระญาตนไม่แสงนาในจมบาน กาตำการลายแหลฮือเหมือนแต่เดิมอ้อนส่วนหนอผู้ทอนอุปราชคุณห้าวหาดเสนาก็ไปสาขาไบาวไว้บ่เว้นไว้วันใดกันจกไปผาสาทแห่งอุปราชบุนนาคุณเสนาผู้เทาก็ฮือลูกเตานิ่งรามผระดับงามแต่งซ้อยกวนไฟหอยแป้งปัน ดังสาวซาวันฝากฝ้ากับเป็ดนาลงมาแล้วจริงปาไปไหวยังเจ้าหนอไทยอุปราชาจู่วันมาดังอีเป็นดังนี่เรื่องๆก็มีวันนั้นแลยนะเนทิตังขีญาสังวันนานาวิเศจจาห้องเหตุนาเขาคำผูกเก่า เสนาเท่าเครื่องใจคืดการใดไปรู้มันเบาไพฟังผูกนิยังบ่แจ้งแก่อยฟังแทงไปลุ่นก่อบังกลมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล